ในคำว่าอะไรก็มีข้อความหนึ่งเขียนว่าถาแม้ผมจะเคยปฏิบัติกรรมฐานมาบ้างนะแต่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาใช้กรรมฐานเพื่อบันเทาความโศกเศร้าหรือว่าระ ง, งับความอาลัยในกรณีที่ต้องสูญเสียแก้วตาดวงใจนะซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่หลวง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 ซึ่งก็เป็นวิธีที่ดีกว่านะไปการไปไปพักผ่อนหรือผ่อนคลายด้วยการไปเที่ยวผับทเที่ยวบาร์หรือว่าไปสนุกสนานรื่นเริงซึ่งมันมีแต่ทำให้เหนื่อยล้านะทั้งกายแล้วก็อจุลมถึงใจด้วยแต่ว่าถ้าเรามามุ่งหวัง มาปฏิบัติธรรมด้วยความมุ่งหวังเพียงแค่ว่าเออเราจะมีความสงบเพื่อที่เราจะได้มีกำลังไปต่อสู้อุปสรรคในที่ทำงานในโลกภายนอกแค่นี้นี่ยังถือว่าประมาทอยู่นะเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอในวันข้างหน้าเนี่ยมัน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 จะทำอะไรก็อย่าให้คณหนณื่งเดือดร้อนเขาก็เลยคิดว่าต้องเปลี่ยนจุดโดดนะเพราะถ้าโดดลงมาตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปทับนะวินมาเตอร์ไซตายโดยไม่รู้อิโนโหอินเน่ก็เลยเปลี่ยนจุดให้ตอนที่เปลี่ยนจุดที่จะโดดลงมานี่ก็เห็นแสงเงินแสงทองกันพอเห็นปุ๊บนี่นเปลี่ยนใจทันทีเพราะได้คิดนะว่า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 พระเจ้าเปเสนจิโกสแล้วก็รักกันมากนะพระเจ้าเปเสนจิโกสน่นก็ไว้วางใจพันธุลาให้เป็นเสนาบดีคู่ใจแต่ว่าต่อหลังพระเจ้าเะเสนจิโกส่เนี่ยหูเบานะถูกเป่าหูว่าพันธุลา น, นี่จะยึดอำนาจก็เลยหาทางกาจัดนะเป็นเพื่อนสนิทแท้ๆนะแต่ว่าก็วันไหวนะ ก็เอาอุบายให้พันธุละแล้วก็ลูกชายลูกชายนี่มี 10, มีสามสิบสองคนนะเป็นแฝดสิบหกแฝดสิบหกคนแฝดสิบหกคู่นะสิบหกคู่ก็สาิบสองเนี่ยเก่งเป็นทหารทั้งหมดเลยเออกอุบายให้ไปปราบกบฏ ท, ที่ชายแดนพันธุละกับลูกทั้งสาคนบสองก็นำทัพไปปรกว่าก็ถูกซุ่มโจมตี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 ไม่ได้ก็ไม่มีสีหน้าอะไรสีหน้าก็เป็นปกติเอาจดหมายน้อยในพกที่เก็บเอาไว้ที่ชายพกแล้วก็ทําหน้าที่ต่อคือถวายถวายหรืออังคาศนะถวายอาหารระหว่างที่กำลังถวายอยู่เนี่ยนะานางทาสีเนี่ยซึ่งอยู่ ใ, ใกล้ๆกับนางมริกาก็เกิดาทา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 ชาราก็ป้องกันไม่ได้ยังไงก็ต้องแก่ต้องชารามีแต่บรรเทาแต่ว่าป้องกันความทุกข์ใจนี่ทำได้นะหากว่าเรามีปัญญาปัญญานี้เป็นปัญญาทางธรรมนะไม่ใช่ปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกนี่ช่วยได้ในเรื่องการทาให้ร่ำรวยมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะแต่ว่าร่ำรวยแค่ไหนสำเร็จเพียงใดก็หนีไม่พ้นความสูญเสีย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 ทุกคนก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วนางมินา ง, นางกีสาวกตมีก็ไม่ยอมฟังจนถ้ามีคนแนะนําให้ไปหาพืชเจ้าสินางก็ดีใจนะอุ้มศพลูกมาที่เชตวันเพื่เจ้านี่เห็นนางกีสาวกตมีอุ้มศพลูกมานี่ก็รู้ว่าแสดงธรรมให้นางฟังเนี่ยคงไม่ได้ผลกูใจทันรู้นะ ว่าคนว่าใครนี่ควรจะเมื่อไหรหรือเวลาใดหรือกรณีใดควรจะแสดงธรรมนะพระองค์ก็ไม่ได้แสดงธรรมแต่พึ่ตพืนนะพระองค์ก็ดูว่าเนี่ยนางกิสากรากติมีเนี่ยพระองค์แสดงธรรมไปก็คงจะไม่ฟังพอนางกิสากรตมีถามว่าพระองค์จะช่วยให้ลูกของนางฟื้นขึ้นมาได้ไหมพระเจ้าก็ตอบว่าได้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 พัดผานะผู้ที่ติดในลูกในทรัพย์สมบัติหรือว่าคล้องในอารมณ์เหมือนกับน้ำปลาเนี่ยยอมพัด่าผู้ที่หลับไหลเช่นนั้นนางคีศาก็ต้มีพิจารณาตามก็เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นที่เห็นเนี่ยเพราะว่าเห็นชัดเลยเพราะว่าผ่านมาด้วยตัวเองเจอความทุกข์มาด้วยตัวเองว่าความทุกข์เนี่ยนะมันเกิดจากอะไรจิตก็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 มาสวดมนต์ก็สวดมนต์เรื่องการความไม่เที่ยงของสังขารนะความไม่เที่ยงของชีวิตพอพูดถึงความต่างตัวเนี่ยก็พอจะทำใจได้แต่พอพูดถึงหรือให้นึกถึงความต่างคนที่รักลู ก, ลกนะพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่ า, าคนใกล้ชิดเนี่ยเพื่อนเนี่ย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 ไม่ใช่แค่เจอภัยธรรมชาติรถชนเครื่องบินตกนะอาจจะเจออะไรที่มันมันแย่กว่านั้นก็ได้นะี่มก็ต้องเผื่อใจไว้นะเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นบทพิจารณานะที่ต้องอเตือนตนอยู่เสมอนะ